เมื่อเร็วนี้มีข่าวใหญ่ที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ลูกสองอายุ31เป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าเธอไปฆ่าคนนะถึง3คนในเวลาไล่เลี่ย ก, กันแล้วก็พยายามฆ่าอีกสองคนนะแต่ว่า2คนหลังนี่ไม่ตายวิธีการก็คือใช้มีดนะ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 คิดเราจะรู้สึกอย่างไรก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าว่าไม่รู้ไปทำข้อกรรมอะไรมาทำไมถึงต้องมาเจอแบบนี้อาจจะโกรธแค้นขุนเคืองหรือว่าหวาดผวาเสียใจแต่ว่าคุณลุงคนนี้แกไม่ได้มีท่าทีหรือความรู้สึกอย่างนั้นเลย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 ทำให้เราได้เห็นทมได้อันนี้ก็เป็นเป็นความฉลาดนะในการมองแทนที่จะถูกกระทำจากครากรรมหรือว่าเหตุการณ์ที่ร้ายๆเราก็หันมามองและใช้ประโยชน์จากมันวิธีของคุณลุงคนนี้ก็เรียกว่าแกมองแบบมองบวกคิดบวกได้เหมือนกันนะ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 นะอายุแค่16เองนะความรู้ก็ไม่ไม่มีมากภาษาอังกฤษก็ไม่ประสีภาษาเลยเพราะว่าอยู่เครนนี่มันใช้ภาษารัเสเซียแล้วกาวว่าจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวก็มาแบบเสือพื้นมอนใบจริงๆเลยนะเหมือนกับคนจีนที่มาเมืองไทยสมัยก่อนมาตายดาบหน้ามากับแม่บอกว่ามาไม่ทันไรแม่ป่วยตรวจไปตรวจมาแม่เป็นมะเร็ง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 มันอยู่ใกล้กันมากหรือว่ามันมันก็เป็นอันเดียวกันนะแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นถือว่าเป็นเคราะห์นะแต่พรุ่งนี้กลายเป็นโชควันนี้เป็นโชคแต่พรุ่งนี้กลายเป็นเคราะห์นั่นถ้าเรามองเห็นแบบนี้เนี่ยก็จะได้ไม่ไม่ไปตื่นตนบนะเวลาเราเจอเคราะห์หรือเจอเหตุร้เพราะว่ามันอาจจะเป็นโชคที่แฝงเล่นกันได้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 เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อสักห้าหเดือนก่อนนีก็มีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะจะเป็นผู้หญิงฝ่ายดีนะไม่ใช่อังกฤษนะแต่เป็นไต้หวันผูิคนนี้เนี่ยแเกิดมาพิการพิการทางสมองนะแกพูดไม่ได้สื่อสารด้วยการเขียนการเดินเหินก็ทำได้ลำบากเพราะว่าไอ้สมองส่วนที่คุมเรื่อง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 ที่แคลิฟอร์เนียนะหมายเวลาแห่งแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอ g เจลิสเปริยนยาเอกสาขาศิลปศาสรให้การจบปลิ่ยญญาเอกจำหมายถแ้แบบนี้นี่ขนาดคนที่มีร่างกายปกตินี่ก็น้อยคนที่ทจะทำได้นะแต่ว่าเธอในพิการเนี่ยกับมีความสามารถเหนือนกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำทั้งที่ขาดแคลนหลายอย่างและเธอได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่างๆ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 ในตอนที่ลูก้ากรรมนี่ก็ขึ้นรถรถมันก็ลงลัดล้อตามตามไหลเขาเนะพราะมงครับมองสอนนี่โค้งเยอะอยู่แล้วนะปรากฏว่ารถเกิดพลาดตกลงมาจากถนนลงเหวในตอนที่รถลงเหวนี่เขาก็ภาวนาว่าขอให้ทุกคนปลอดภยัยปรากฏทุกคนปลอดภัยมาเลยยกเว้นเขานะเขานี่เจอกระแทกหนักเลยเป็นอัมพาตตั้งแต่ เอลลงไปนะเอามาพาดครึ่งตัวเพื่อนที่ไปเยี่ยมเขานี่ก็เสียใจนะสงสารเขาว่าเนี่ยก็มีบางคนพูดเนี่ยทำไมทำความดีถึงต้องมาเจอแบบนี้ไอ้นะคำพูดแบบนี้เราคงจะได้ยินบ่อยนะบางคนไปทอดกระดินทอดพระป่ า, ปาแล้วประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะเพื่อนของเขาก็พูดแบบคล้ายๆกันนะว่า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 แนทนเจีได้20ิบล้านก็ได้แค่สิบล้านเนี่ยแกไม่ได้หมอแกได้นะแกมองว่แกเสีนะยเสียสิบล้านนี่ก็เลยทุกเลยทั้งที่ถ้ามองให้ดีเนี่ยได้10บล้านนะถ้าแกมองว่าแกได้10บล้านนี่แกไม่ทุกหรอกนะเพราะว่ามันยิ่งกว่าถูกลักตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกแต่เป็นเพราะแกมองว่าแกเสียฉันน่าจะได้ยี่สิบนะแต่ว่าได้แค่สิบเห็นไหมว่าถ้าเรามองไม่เป็นเนี่ย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 จะจึงไม่ใช่บาปเป็นเงินปอนห้สิบปอนให้ทุกคนคนละห้ปอนเอาอาสาสมัครมาแล้วก็ยื่นเงินให้ห้ิเสร็จแล้วก็บอกในภายหลังว่าคุณเก็บ20สิบนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะบอกว่าคุณคืน30สนะกลุ่มแรกเนี่ยบอกว่าคุณเก็บไปยี่สิบอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคุณคืนไปสาสิบ